เดเลิศพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสุอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2558เป็นวันพระวันธรรมวสวนะวันฝังธรรม มันสร้างบุญบรารมีที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมผู้ที่หมันสร้างบุญสร้างบรารมีอยู่เรื่อยๆอนาคตจะดีขึ้นไปตามลำดับจะดีทางลาภยศสรรเสริญสุข จะดีทางมรรคผลนิพพานไปได้ทั้งสองอย่างไปทางธรรมก็ได้ไปทางโลกก็ได้อย่างพวกเราที่เรามาเกิดกันในวันนี้เราก็มีความเจริญในลาบยศสรรเสริญความเจริญในมรรคผลนิพพานไม่เท่ากันเพราะเหตุใดก็เ พ, เพราะในอดีต เราสร้างบุญบรารมีมาไม่เท่ากันนั่นเองผลที่ปรากฏในปัจจุบันจึงทำให้เรามีความแตกต่างกันในเรื่องของลาภยศสารเสวน ส, สุดในเรื่องของมรรคผลผนิพพานเพราะว่าเหตุคือการสร้างบุญบรารมีไม่เท่ากันผล ที่ได้นับจากเหตุคือลาบยศสารเสริญสมหรือมรรคผลนิพพานไม่เท่ากันพวกเราจึงมีความร่ำรวยไม่เท่ากันมีตำแหน่งไม่เท่ากันมีคนชื่นชมยินดีหรือคนเกลียดคนชังไม่เท่ากันมีความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายไม่เท่ากันถ้าออกบวช ปฏิบัติธรรมก็บรรลุมรผลนิพพานไม่เท่ากันเพราะสาเหตุคือบุญบารมีที่เราได้สะสมมาในอดีตไม่เท่ากันนั่นเองและไม่มีใครสามารถที่จะมาสร้างบุญบารมีให้กับเราได้ไม่มีใครสามารถสร้างผลต่างๆเช่นลาบยศสารเสริญสุก หรือมักผลนิพพานให้แก่เราได้นอกจากการสร้างบุญบรารมีของเราเท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะให้อนาคตของเราดีกว่าปัจจุบันเราก็ต้องพยายามสร้างบุญบรารมีต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดำับ <c oughs> แล้วอนาคตก็จะเป็นอนาคต ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราสามารถไปในทางโลกก็ได้ไปในทางธรรมก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่มาประสูติแล้วพระราชบิดาก็ได้เรียกพวกโหราจาร์ต่างๆมาดูดวงของพระพุทธเจ้าว่าอนาคตของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างไรโหราจาร์ส่วนใหญ่ ก็จะพยากรว่าจะต้องได้เป็นภาพมหาจาักรพรรดิถ้าไม่ได้ออกบวชถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าบารมีของพุทธเจ้าได้สะสมมาเป็นจำนวนมาก ส, ส่งแสดงออกมาทางภาพวรกายทำให้โหราจารีสามารถพยากรได้ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนจะไปทางโลกหรือจะไปทางธรรมถ้าไปทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิถ้าไปทางธรรมก็จะได้ตัดสรุปเป็นพระ อ, อรหันตสัมมาสานพุทธเจ้าแต่มีโหราจารย์อยู่รูปหนึ่งท่านพยากรณ์ว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องของ การได้สะสมบุญบรารมีมามากพอมาเกิดบุญบรารมีก็จะฉายแสงออกมาผ่านทางสรีระร่างกายสังเกตดูเวลาเราพบกับคนบางคนนี้เรารู้สึกว่าเขามีบรารมีมากกิริยาการท่าทางการแสดงออกของเขานี้บง่งบอกถึงการมีบรารมีสูง บางคนกิริยาการก็บ่งบอกถึงมีอะไรมีบารมีน้อยสามารถดูได้จากสรีระร่างกายจากการแสดงออกทางกายทางวาจาดังนั้นพวกเราถ้าอยากที่จะให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขความเจริญเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับเราก็ต้องหมั่นสร้างบุญบารมีกัน เหมือกับชาวนาชาวไร่ที่ปลูกข้าวถ้าต้องการให้ได้ข้าวมากกว่าที่มีอยู่ก็ต้องเพิ่มปริมาณของพื้นที่เพาะปลูกต้องเพิ่มพื้นที่เนื้อนาให้มีมากขึ้นแล้วก็หว่านเมล็ดข้าวลงไปในพื้นที่เหล่านั้นเช่นถ้าตอนนี้มีอยู่หนึ่งไร่ ก็ต้องเพิ่มขยายเป็นสองไร่เป็นสไร่ถ้ามีการขยายพื้นที่การพาปลูกเมล็ดข้าวคือผลผลิตก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับผลผลิตคือเมล็ดข้าวนี้ไม่ได้เกิดจากความปรารถนาความอยากความอธิษฐานอธิษฐานไปจนวันตายถ้าไม่เพิ่มพื้นที่บริเวณเพาะปลูก ยังปลูกอยู่หนึ่งไร่มันก็จะได้ปริมาณเท่าเดิมเพราะเหตุมันเป็นตัว<ม>ที่จะกาหนดให้ผลเกิดขึ้นถ้าเหตุเท่าเดิมผลมันจะมากกว่าเดิมย่อยรำไรยิ่งถ้าเหตุน้อยกว่าเดิมจะให้ผลมากกว่าได้อย่างไรเช่นเกิดความเกลียดคังปีนี้เขอทาเพียงครึ่งไร่ก็พอแล้วจะหวังให้ ผลผลิตของข้าวนี้มีจํานวนเท่ากับเดิมได้อย่างไรเมื่อเหตุมีน้อยลงไปผลก็จะต้องมีน้อยลงไปถ้าเหตุมีมากขึ้นผลก็จะมีมากขึ้นถ้าเราไม่พอใจกับสถานภาพของเราไม่พอใจกับลาบยศสารเสริญสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราสามารถเพิ่มมันขึ้นมาได้ เพิ่มมันด้วยการสร้างบุญบารมีอย่าไปสร้างมันด้วยการทำบาปเพราะว่ามันจะไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการผลที่ได้ก็เป็นผลกลอมผลเถียมเช่นเราอยากร่ำรวยมากกว่าเดิมเราก็ไปทำผิดศีลไปทำบาปเพื่อให้เราร่ำรวยขึ้นเราอาจจะร่ำรวยทางเงินทอง แต่อนาคตของเราจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วต่อให้มีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถกลับมาใช้เงินทองที่เราหาได้เพราะเราจะกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นมีนิทานในสมัยพระพุทธการมีเศรษฐีคนหนึ่งมีความร่ำรวยแต่มีความตระหนี่และมีความโลภมาก เวลาหาเงินหาทองก็หาโดยวิธีการทุกวิถีทางทั้งการไม่ทำบาปและทำบาปถ้าต้องทำบาปเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาก็จะทำคือไม่สนใจกับการสร้างบุญบรารมีคือการรักษาศีลหรือการทำบุญทำทานจะเอาแต่เงินอย่างเดียวแล้วก็หวง ไม่ยอมเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้ื่นแม้แต่ลูกๆ ก, ก็ไม่แบ่งให้และไม่บอกด้วยว่าเงินทองของตอนนี้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนเอาไปฝังดินไว้ตามที่ต่างๆลูกๆไม่มีใครรู้เวลาพ่อตายไปก็ไม่มีสมบัติให้ลูกเลยสักคนเดียวเพราะความห่วงความตนีความอะไรเอาวอนพอตายไป ความลับความหวงความเสียดายความคิดถึงเงินทองของตนจึงทำให้ดวงวิญญาณกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองที่บ้านมีสุนัขพอดีตั้งท้องพอเศรษฐีนี่ตายไปดวงวิญญาณออกจากร่างกายของมนุษย์ก็เข้าไปในท้องของสุนัขแล้วไม่นานก็ได้คลอดออกมาเป็นสุนัข แต่เป็นสุนัข ก, ก็ไม่สามารถที่จะไปเอาเงินทองเหล่านั้นมาใช้ได้เพราะสุนัขนี้ไม่สามารถมีความสามารถที่จะเอาเงินทองไปซื้อข้าวของต่างๆได้พอดีพระพุทธเจ้าสเสด็จผ่านมาทรงเล็งยานเห็นว่าสุนัขตัวนี้เป็นเศรษฐีที่ตายไปจึงบอกสอนลูกว่า เลี้ยหมาตัวนี้ไว้ให้ดีเดี๋ยวมันจะพาไปขุดคุ้ยสมบัติที่พ่อของเธอได้ฝังเอาไว้พ่อหมาตัวนี้ก็คือพ่อของเธอกลับมาเกิดนั่นเองอลูกก็เชื่อพระพุทธเจ้าก็เล่นงดูสุนัขไว้อย่างดีสุนัขมันก็พาไปขุดสมบัติที่ได้ฝังไว้ในอดีตนี่คือเรื่องของการ ทำบาปเพื่อให้ได้มามีทรัพย์มากๆแต่ก็จะไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นแต่ถ้าทาหาทรัพย์มาด้วยวิธีที่ไม่ทำบาป ก, ก็จะสามารถที่จะเอาทรัพย์เหล่านี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะผู้ที่หาทรัพย์มาด้วยศีลบริสุทธินี้จะไม่โลกจะไม่หวงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ยินดีที่จะนํามาทําบุญททานอย่างพระเวชสันดรนี้มีความยินดีที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปนั่งก็ไปอยู่แบบคนธรรมดาสามัญไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียเงินทองเพราะทําด้วยความยินดีทําแล้วมีความสุขใจเหมือนกับญาติโยมวันนี้มาทําบุญ มาเสียเงินเสียทองแต่แทนที่จะมีความเสียใจกับมีความสุขใจเพราะมีความตั้งใจจะเสียเงินก้อนนี้ไปถ้าเกิดมีใครมาขโมยเงินก้อนนี้ไปก่อนมาทาบุญญาโยมจะมีความรู้สึกเสียใจขึ้นมาทันทีเพราะไม่มีความยินดีที่จะให้ขโมยรับไป แต่ถ้าเราฉลาดเราก็ต้องคิดว่ามันก็เป็นเหมือนกับการทาบุญเช่นเดียวกันเงินที่จากเราไปนี้ถ้าเราคิดว่าดากไปแล้วจะทำให้ผู้อื่เขามีความสุขก็ให้มันไปถึงแม้จะมาขโมยไปก็ยินดีให้ขโมยไปถ้าเรายินดีที่จะให้เงินทองถูกลักขโมยไป เพราะเราคิดว่าเป็นเหมือนการทำบุญแทนที่เราจะเสียใจเรากลับมีความสุดใจไม่ต้องมาเสียเวลามาที่วัดเอาเงินมาทำบุญเพราะมีคนมาขอรับเงินรับบุญที่บ้านแล้วนี่คือเรื่องของการทำบุญทำแล้วจะมีความสุดใจแล้วเหินทองที่เราสละไปนี้ จะกลับมาหาเราเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เช่นพระเวชสารดรนหลังจากที่ตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วหลังจากลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาได้พระราชาทรัพย์มีประสาทสามฤดูมีบริสัทบริวารคอยต้อนรับคอยรับใช้ ให้ความสุขทางตาหูจมูกม้นกายอย่างเต็มที่นี่คือเรื่องของบุญบารมีที่เราควรที่จะหมั่นทำกันถ้าเราไม่เชื่อว่ามีจริงเราก็ต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเชื่อ ว่าเวลาเราตายไปนี้เราไม่ได้สูญหายไปสิ่งที่สูญหายไปคือทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองและร่างกายของเราร่างกายของเราเวลาตายไปก็จะกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปเพราะไม่มีใครเขาอยากจะเก็บร่างกายที่จะต้องเน่าเปื่อยไปเขาก็เลยนำเอาไปทมชาปนกกิจเอาไปเผา พอเผาเสร็จ ก, ก็เหลือแต่ขี้เท่ากับเศษกระดูก น, นี่คือร่างกายที่จะต้องสูญไปแต่ผู้ที่เป็นเจ้านายของร่างกายนี้ไม่ได้สูญผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้เรามาวัดได้เพราะอะไรเพราะเราสั่งให้ร่างกายมาคนสั่งนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน คนสั่งนี้เราเรียกว่าจิตใจหรือใจใจเป็นผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแล้วพอทําแล้วใจก็จะเป็นผู้รับผลของการกระทําถ้าสั่งให้มาทําบุญใจก็จะได้รับความสุขแล้วก็จะได้ทรัพย์ภายในคือได้ทรัพย์ที่จะติดตัวไปต่อไป เวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะได้เอาทรัพย์ที่ติดตัวไปนี้มาแปลงเป็นทรัพย์สมบัติอย่างที่พระเวชสันดรได้มาแปลงทรัพย์สมบัติต่างๆที่ได้เอาติดตัวไปพอมาเกิดก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่คือเรื่องของบุญเรื่องของผู้กระทำบุญคือพวกเรานี้ พวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเราเป็นเจ้านายของร่างกายดัางที่มีคำพูดอยู่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวบ่าวคือร่างกายร่างกายที่เราได้รับมาจากพ่อจากแม่เป็นของขวัญของพ่อของแม่มอบให้กับเราเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง ที่เราสามารถเอามาใช้ทำอะไรต่างๆได้แล้วพอร่างกายนี้ตายไปใหญ่ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็จะไปรับผลของการกระทำต่างๆถ้าทำแต่บุญบารมีก็จะไปรับผลที่ดีกว่าเก่าชาตินี้เป็นอย่างไรชาติหน้าจะดีกว่าเก่าจะรวยกวเก่าจะยิ่งใหญ่กว่าเก่า จะมีบอยสัตว์บริวารมากกว่าเก่าจะมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมากกว่าเก่าแต่ถ้าไม่สร้างบุญสร้างบารมีกลับมาชาติหน้าก็จะลำบากกว่าเก่ายากกว่าเก่านี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเจตุลุกแลได้นำเอามาสอนพวกเราเพราะทรงเห็นว่าพวกเรามองไม่เห็นกัน มองไม่เห็นว่าวิธีที่จะสร้างอนาคตที่ดีของพวกเรานั้นสร้างอย่างไรเพราะเราคิดว่าเราตายแล้วศูนเราก็เลยคิดถึงอนาคตสั้นๆคือวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหรือปีหน้าเราก็จะมามัวแต่หาทรัพย์หาเงินหาทองกันแล้วก็เอาเงินทองนี้มาซื้อสิ่งต่างๆ ให้ความสุขกับเรากันแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวเดียวพอเวลาตายไปก็ไม่มีทรัพย์ติดตัวไปไม่มีทรัพย์ภายในตายไปก็ต้องไปเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนเป็นขอทานต้องมาคอยรอรับส่วนบุญต่างๆแล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเกิดที่แย่กกว่าเดิม เคยรวยก็จะไม่รวยเหมือนเดิมเคยมีตำแหน่งก็จะไม่มีตำแหน่งเหมือนเดิมเพราะไม่ได้สร้างเหตุเอาไว้นั่นเองคือไม่ได้สร้างบุญบรารมีต่างๆบุญบรารมีที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างนี้มีอยู่สิประการด้วยกันคือหนึ่งอธิษฐานบรารมีคือความตั้งใจก่อนที่เราจะสร้างบุญบรารมีได้ เราต้องมีความตั้งใจก่อนอย่างวันนี้ก่อนที่เราจะมาวัดได้เราต้องตั้งใจไว้ก่อนนะว่าวันนี้จะมาวัดมาทำบุญถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไว้พอตื่นขึ้นเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็อาจจะนอนต่อหรือถ้ามีใครมาชวนให้ไปไหนเราก็จะไปกับเขาเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดแต่พอเราตั้งใจจะมาวัด พอเราเตื่นขึ้นมาเราก็เตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวอาบน้ำหัดท่าแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมข้าวเตรียมของแล้วก็ออกเดินทางมามการจะทำอะไรไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีต้องมีการตั้งใจก่อนคำ<ม>ว่าอาธิษฐานของพระนี้แปลว่าความตั้งใจซึ่งต่างกับคำอธิษฐานของญาติโยมคอาอธิษฐานของญาติโยมมี คิดว่าขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นอยากจะร่ำอยากจะรวยก็ไปกราบพระจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอให้พระช่วยโดนบันดาลให้ร่ำให้รวยขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นความหมายของอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้เราต้องเป็นผู้สร้างความร่ำรวยขึ้นมาเอง คนอื่นสร้างความร่ำรวยให้กับเราไม่ได้ถ้าเราอยากร่ำรวยก็ต้องไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองแล้วได้เงินได้ทองมาก็ต้องรู้จักเก็บเอาไว้ไม่ใช่เอาไปใช้หมดรู้จักเก็บรู้จักเอาไปลงทุนเอาไปขยายกิจการต่อไปก็จะร่ำรวยขึ้นมาได้นี่คืออธิษฐานเราต้องตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าต่อไปนี้ เราจะสร้างบารมีที่พุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างสิบประการด้วยกันประการแรกก็คือสร้างอธิษฐานบารมีคือต้องมีความตั้งใจแล้วเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วข้อที่สองเราต้องมีก็คือสัจจะความจริงใจสัจจะบารมีถ้าเราตั้งใจแล้วเราไม่มีสัจจะเราอาจจะเปลี่ยนใจได้ เช่นตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกปวดท้องปวดหัวก็เลยเปลี่ยนใจไม่มาวัดเสียแต่ถ้าเรามีสักจะมีความจริงใจเราถึงแม้ว่าจะปวดท้องปวดหัวถ้าไม่สุดวิสัยเราก็จะมาเพราะเราตั้งใจเอาไว้และเรามีความจริงใจคือเราไม่โกหกตัวเราเองเราต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะสามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจได้ พอเรามีสัจจะแล้วข้อที่สามต้องมีก็คือมีวิริยะบารมีวิริยะบารมีก็คือความเพียร น, นั่นเองความพยายามถ้าเรามีความตั้งใจมีสัจจะแต่เรามีความเกียจคร้านเราแทนที่จะลุกขึ้นมาเติบขึ้นมาแทนที่จะรีบลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ขอนอนต่อเพราะไม่มีวิริยะบารมี ถึงแม้ว่าจะตั้งใจไว้ถึงแม้จะมีสัจจะจะไปแต่ถ้าไม่มีความเพียรก็ไปไม่ได้ไม่ลุกขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวออกเดินทางมีแต่ความเกียจคร้านก็เลยนอนต่องั้นหลังจากที่เรามีอธิษฐานมีสัจจะแนละ้วเราก็ต้องมีวิริยะบาลมีคือต้องมีความขยันหมั่นเพียร ทำในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วพอเราทําแล้วก็อาจจะเกิดอุปสรรคเกิดความยากลำบากเราก็ต้องสร้างบา ร, รมีข้อที่สี่ขึ้นมาก็คือขันติบา ร, รมีต้องมีความอดทนถ้าเราไม่มีความอดทนเดี๋ยวเราทาไปได้นิดทํำไม่ได้หน่อยก็ยกธงขาวเพราะมันยากมันลำบากแต่ถ้าเรามีความอดทนแล้ว เราจะฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากต่างๆไปได้เราก็จะสามารถมาสร้างบา ร, รมีที่พรเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันคือข้อต่อมาก็คือให้เราสร้างเมตตาบา ร, รมีเพราะการที่เราจะสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆให้ได้มากเราต้องมีเมตตาต่อผูอ้เราต้องมีความปรารถนาดีคิดดีต่อผู้ ไม่คิดร้ายต่อผู้ไม่ทําร้ายผู้อื่นเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถทําสร้างทานบารมีได้ทานบารมีก็คือการให้เรามีอะไรที่เรามีมากเกินไปเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้เราเอาไปให้คนที่เขาขาดแคลนถ้าเราไม่มีความเมตตาความปรารถนาดีเช่นเราเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ เราก็จะไม่อยากจะให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะเดือดร้อนแต่เมื่อเราไม่ชอบหน้าเขาเกลียดเขาเราก็จะไม่ได้สร้างทานบารมีจะไม่ให้เขาแต่ถ้าเรามีเมตตาบารมีถึงแม้ว่าเขาจะทำให้เราไม่พอใจแต่เราจะให้อภัยเขาจะไม่ถือโทษกฎเคืองเขาจะไม่เกลียดเขาเวลาเขาเดือดร้อนเขาขาดแคลนอะไร เราก็ให้ทานเขาได้เราก็จะได้สร้างทานบารณีแล้วเราก็จะสามารถรักษาหรือสร้างศีลบารณีได้ศีลก็คือการไม่ทําบาปถ้าเรามีความเมตตาเราทําทานอยู่เรื่อยๆเราจะไม่ชอบทําบาปเราจะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายเมื่อเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะเห็นว่าการทําทานการมี เมตตาการรักษาสีนี้ทำให้เรามีความสุขใจมีความสุขมากกว่าการไปหาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้วกายเช่นการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานก็จะทำให้เราอยากจะมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นเราก็จะสร้างเนธธรรมะบรารมีได้ เนคขมะบา ร, รมีก็คือการละการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมาถือศีลแปดกันได้มาอยู่วัดได้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการปฏิบัติธรรมได้เราก็จะสร้างเนคขมะบา ร, รมีได้สร้างอุเบขขาบา ร, รมีได้อุเบขขาบา ร, รมีก็คือการทำใจให้เป็นกลาง ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอยู่เฉยๆมีความสุขกวา่าเวลาเกิดความรักใจก็ตื่นเต้นเวลาเกิดความชังใจก็ตื่นเต้นแต่เวลาใจมีอุเบกขานี้ใจจะเย็นจะสบายมีความสุขใจที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายแล้วเมื่อเรามีอุเบกขาเมื่อเรามีเราก็จะสามารถมองเห็นต่างๆ ตามความเป็นจริงได้เราก็จะสร้างปัญญาบารมีขึ้นมาได้เราจะเห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็หยุดความอยากของเราความทุกข์ใจก็จะหายไปเช่นเราอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่สบายใจ เพราะถ้าเราอยากจะไม่มีความไม่สบายใจเราก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สังเกตดูคนที่เราไม่ยุ่มด้วยไม่มีความอยากด้วยเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับเขาแต่คนที่เราไปยุ่มด้วยไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะาวุ่นวายใจไม่สบายใจถ้าเราอยากจะสบายใจไม่มีความทุกข์ใจ เราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราก็จะสามารถอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่แบบค า, ารวาบหรืออยู่แบบพระเพราะเรามีปัญญาที่เราสามารถมาดับความทุกข์ใจต่างๆได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะแก่จ ะ, จ, ะ rix, จ, ะ caut, จะเจ็บจะตายจะร่ำจะรวยรู้จะยากจนใจของเราจะไม่เดือดร้อนพอใจของเราจะไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รวยก็อยู่กับความรวยไปจนก็อยู่กับความจนไปแก่ก็อยู่กับความแก่ไปเจ็บก็อยู่กับความเจ็บไปตายก็อยู่กับความตายไปไม่เดือดร้อน ใจก็จะไม่ทุกข์เพราะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นนั่นเองนี่คือบารมี10บข้อที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันพยายามสร้างกันบ่อยๆสร้างกันมากๆแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงและจะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปในที่สุด จึงขอฝากเนื่องของการสร้างบุญวรารมีทั้งสิบประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนากรและบุญกุศล